ทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับลรงสัตว์เป็นสัตว์ตายที่นี่พูดมันพูดยาวใช่ไหมบรรดาพระรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าจุปโปอมจึงไม่ทรงห้ามอ่นานการนั่งจับตาเพาเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นลึกลับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้นั่นว่าไงนี่เหดชก็สนุกออกรวดลายนี่ออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ มันฉันนี่ว่าฉันตาลังสวีละมันเป็นรวดลาวุงยิ่งเหี่ยมวุงยิ่เหลียมันไม่ได้ละเลอียดอย่างนั้นยิ่เหลียมันจะไปให้อภัยอะไรครับในส่วนลึยรับอย่างนั้นมันไม่รู้วุ้งยิ่เหลี่ยมแตกีที่ปกป้องด้วยทําปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรูตรงนั้นรูตรงนั้นเห้นตรงนั้นตอนแม่โคจันพูดนิดนิดนิดนิดแต่ก่อนเรากินนะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันเนี่ย ฉันน่าจะปราดฉันฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่เงี้ย่งฉันได้คิดแต่มันสุดพิสัยที่จะแก้นี่มันพูดแค่นั้นแหละสุดิสัยที่จะแก้สูบพิสัยที่จะหห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกออกไปเพียงโลกมนเหมือนมหานั่งมหาสมุทร มันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตัวเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่ยอมามาใช้ตีไปกันหนะมหาสมุทรไม่ใหมันไหลมันไม่ได้ท่านผูดแยบ็บมาหลังๆมันมันมาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดนท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่ด่างเบาได้เสียขนาดไห น, นผู้ฟังจะไม่ฟัง ไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไว้ตามที่มันแหวกแนวไุก ว, วนันเพราะออกโผล่อวดเรื่อมังสวิรัติใครจะไปเกินวุฒิเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแม่ทุ ก, ท ก, ทกมุมแล้งั้นจะว่าเป็นสปันยือ้อพวกไหนใครเป็นสปันยือ้อพวกประกาศตนปั้งตั้งม ฉันมังสยายเวลาจึงเป็นเมตตาที่บริกบุดีนี่หรือสบสนิยนดี้กิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสยายเวลาแต่แต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันเท่านั้นจิตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่จิตนันต่างหากนี่ อานี่เพียงมา อ, อวดได้แค่กิจยานท่านผู้ชันกิ่ท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนน่ะเอามาเทียบกันจีิงจริงเข้ากัาได้มากเลพอแม่ครูาจารย์ทำมามันคือวิสัย ท, ทาไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครกมองไม่เห็น น, นั่นฟังดิเนี่ยจีสำคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสัยใครมองไม่เห็น มันตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเดือดเบียน <_ d ata> ไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันอุูวิสัยนีน้แล้วราคนเป็นมาอย่างนี้แต่ต้องโดนส่วนที่ส่วนที่ส่สวนส่วนที่ไม่สุบิสุบิสุบิสัยอีกแง่ไหนใครไม่รู้หนัไม่มีใครรู้คนวางพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์มา ก่อนผมไม่เข้าใจออกปฏิบัติมาปฏิบัติไปก็โดนไปว่าจะว่าอวดต้องไม่อวดก็ตามมันเข้าใจยังไงไม่มีใครบอกไมกรู้นี่มันรู้เองว่าอันไหนสูดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยเหมาะควรยังไงท่านที่ซึ่งไม่ฆ่าสัตว์แต่ยีดแต่ตท่านยังฉันและยังตาอยู่เพราะอะไรไม่ต้องจะตั้งปัญหา อะไรให้ลำบากมันซึ้งก็ไปเลยลูกทะลุปไปหมดเลยทำปัญหามาเป็นป่านน้าลายกันบนเบทีทําไมปราท่านไม่เป็นบ้าน้ําลายสิ่งไหนควรพูดท่าพูดอย่างนี้ควรพูดท่ดทดานผ่านผ่านานึกเก็บไ ว, ไว้เสียเก็บไว้เสียเพราะท่านไมนมีความหิวโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความกินล้วนๆความกินจะเป็นความกินที่บริสุทธิ์ด้วยนี่ มีเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะไม่รอ้อนตามความประตตะจ้อเป็นสิ่งที่สุดนิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดตัวถึง จะรู้ตรงไหนไปก็จะมีเรื่องแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกแทรกเข้าไปทํางานคําเข้าไปทำงา น, างานเรียนทำปฏิบัติทำแต่ก่อป่วอกิเลสเพราะกิเลก็ไปทํางานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่และเอียาขนาดนั้ น, นเนนลยถึงได้อัศ จ, จรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเกื้อสั่งสอนเลย ผมจะเกี kids, ale, ่ยวกับกายด้วยลําพังผู้เองและเป็นสยามผูรู้โดยลําพังผู์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่งก็ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ว่าท่านบูบทุันได้อย่างไรเพราะพยานบอกอย่างนี้พยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านรู้เรื่องอะไรปฏิบัติอย่างไรรู้ที่กิเลมันเหยียบหัว มนุษย์แสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจุงไปตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยอย่างไรไมีแต่เรื่องมันนี่นจูงจูงทั้งนั้นเพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องพอจะสองเห็นตัวโรคร้ายนี้นี่ ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนั่นแนหะคนกับคนกับคนเดอชาติชั้นวันนั่นไหนก็เถอะว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆชาติพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเรศซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลับที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเล ย, เลย แต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็นยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมันเป็นควายห้าเปอร์เซ็นเป็นคนแล้วย่นลงมาแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นคนห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นควายแล้วชําระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันได้ยินได้ยินได้ฟังพวกเราที่นํามาชําระ ย่นถ้ย่นลงมาลงมาถึงห้าสิบสี่สิบชามสิบของความเป็นฝ่ายเจ็ดสิบในความเป็นคนจนกระทั่งถึงหนึ่งเปอร์เซ็นในความเป็นควายเก้างเก้าเปอร์เซนในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่าร้อยทั้งร้อยเป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าจากคาสอนพระเจ้าจำมา ถึงความเป็นคน100ได้ไร้อยปได้ยังไงเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของวิเศทแล้วแหลมขนาดนั้นนะผมนะสร ด, ดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟังที่ถูกมันกล่อมมาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนพลายตัวหนึ่งจริงเวลาทั้งๆที่ได้ยินได้ฟังโอวาคูบาอาจารย์แล้วกับความเชื่อความอน้มนยในศาสนาก็มีอยู่เต็มหัวใจ แล้วก็นอกจากนั้นความหวังมากผลนิพพานเป็นร ะ, ระดับระดับระดับถึงขนาดที่ว่าหวังถึงสินสส้นสุดสิ้นสุดวิมุตติพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นกวาให้มันจุงอยู่จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องแล้นิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิรยาตของจิตที่คิดที่บลุ้งออกถูกมันภายในอันกองทับหลวงกองทัพใหญ่ของมันมันผลักดันออกมาเผาดันกองทับใหญ่คืออวิชชา ปัจจยมนหนุนออกมาเป็นสังขารเนเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนนั่นหมุนหนุนหนุนไปไม่รู้นี่ถึงหนจะจันบรพรเจ้าเราถ้าเกี่ยวตะกายแทบล้มแทบตายนั่งภัวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหจะของแทบเป็นแทบตาย ฟาดกันขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตายอาลูกเอาเสียงเอากลิ่นเอารถด้วนแน่ตั้งแต่จาพวกมูดจําพวกขูดทั้งนั้นอืา ม, มันไม่รู้ว่ามูดว่าขูดแล้วสิเสียงกลิ่นรสเครืงสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สั ม, สมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องของ หลุมมุดหลุมพูดทางนั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมมุดหลุมพูดจากการจุ่มของจิตเลยจนได้นะันพอันมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างพ อ, อก เ, กง เ, เห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์ แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในใจิตใจจากการปฏิวัติทั้งตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆนั้นก็เชื่อเป็นความจริงไม่เชื่อเดือการฆ่ากันเองเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในยกองดังนั้นก็าค่อนมีกําลังมีกําลังถึงจะมีกําลังขนาดไหนก็ก็ตามเถอะ สติปัญญากสตาความเพี่ยนหรืออำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นโทษของมันน่าในตามกําลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นๆนั้นเท่านั้นถ้าถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่างไงไปตรงไหนั็เชื่อไปตรงไหนก็เชื่ อ, เ, อเมื่อสติปัญญายังยังไม่ถึงกันยัง ไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจ ะ, จะพอจะปล่อยจะวางพอจะลบดีดตัวลักษณะตัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีโดยโดยีเนี่ยถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นนะมันถึงได้คลองโลกะธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามอรูปรูปรุปโลกอรูปรุโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยมันมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลย ไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดพบใดภูมิใดย้วนแล้วตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจํำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทประเภทของนักโทษทั้งนั้นยีเดียวละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม่นักปฏิบัติมีกิริยาละเอียดแหลมคงขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกยิเลยมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละ ประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่ซะ ก, ก่อนจูงไปเรื่อยๆแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย <c oughs> เข้าใจด้วยเข้าใจด้วยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาจนไ่้หเห็นไหมมันไปนติดอย่างนี้นจูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชา มหากษตรวัตถะจากของมั น, มนหลงมันจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกรองของมันเราเห็นว่ามีความปรองใสมีความสง่าผ่าเผย ม, ม, มีความอุบาอัจฉัิยมีความอัศจรรย์ไม่มีกิจ ด, ดวงในเสมอด้ดยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่นี่นันเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพะน่าพนอม จนได้ไม่มากกว่าน้อยไม่ไม่ช้า ก, ก็าเร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามกิดเรื่องของมหาสศรษมหาปัญญาแล้วถึงจะหลงด้นลาของกิเดมันมันก็มีทางที่จะฟัดจนให้ม้วนเสือลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาตอานที่จให้ เป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนเชื่จิปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งของนี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสทั้งมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหลกนั่นแหละขนาดนั้นแหละขนาดที่มันจุงมันไม่เอย่ยขนาดนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านฟังให้ถึงใจนะนี่พูดอย่างเปิดหัว อ, อกให้ท่านทั้งหลายฟัง ระหว่างธรรมกับวิริยะนั้นต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันค่คุณมหันตะโทษนี่มันต่างกันเย่าไบ้างมันก่อมาจาสัโลกขนาดนั้นนี่ถึงอาตจ ร, รย์เรามีวาสนาะไี่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามดนโลกธาต ไม่มีอะไรที่จะมาค้านศา ส, สนาเนี่ยเนื้อหมดเมื่อกี้เลยเด็ทางจากหัวใจด้วยอานาแห่งธรรมนี้ปราบตอนนั้นเนื้ อ, อหมดเลยที่นี่โทษของมันเป็นยังไงไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจงกระทั้งหมดเครื่องสิ่งเครืองแฝงพนกิจคือสมมุติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมติเป็นสิ่งเครือแงแฝง ไี่มีเดี๋ยวตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ยนั่นล่ะประเสริฐสุดถ้าจะเซก็ประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เซกก็ทํานั้นไม่ใช่ทำยางคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงง ม, มงายเป็นธรรมที่บริสุทธวิมุตต์ทรงความคิงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความคิงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไร ไม่มีไม่เหมือนโลกอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบุบบัติขึ้นมาได้อย่างไรเท่า ไ, ไม่มีผู้เนีผู้บอกตะเกียรตะการดดบบาโดยลำบังพงเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากเดียวไม่มีกำแพงไหนในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมา มุดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามนะจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนศาสตว์โลกจะแบบมาไปจากอำนาจทั้งมันมันเท่าปิดเท่ากั้นไม่หมดเช่นบาบา บ, บากไม่มีนันะ่นฟังสิทำที่บาบาบไม่มีก็คือ ถ้าถ้ามาบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ทชิลุภาษีภาษา ย, ยังจะกลัวบาปล้วไม่ทําบาปไม่การไม่ทําบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทําบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะวยังจะเสาะแสวงหาทางทางดีอีกทางบุญทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธดีว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้ว ใครจะไปสนใจลาบบาปใครจะไปโซท้าโซกโกทาในการรับในการทําบาปที่ไ้อุดตังบัความสรุ่งัวตะบาดมีได้ยังไงก็ที่เดือดลบไปหมดไม่มีอะอยู่แล้วในการแสดงบุญจะแสดงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสดงให้เสียเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกําลังบังชารับสมบัติไปทําไมก็เทําลงไปงมันเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้ ให้จะไปฝืนทงนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่นในขณะเดียวกัน ท, ที่ที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่หน้าจของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสารโลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต่อ ย, อยไม่มีสารโลกตัวใดรายใดที่จะกัดข้าศัตรูทานหรือฝากฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสังนิษฐานนี่นนนการทําลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกเกาะกลอยเอกจากสัตว เนี่ยผลพ้นงานที่มันใหสัตว์ทํางานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามเนี่ยตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันตั้งนั้นผลประโยชน์ที่จนนอกเหนือไปจากอํานาจทของมันมันไม่ยอมอย่างสวรรค์ไม่มีอพราะมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้อย่างาเต็มรวดลายัองมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้แลเราอย่าไปว่าทีนอื่นเลย ว, ว่าเปรบว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนั่นฟังเสีพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กีพระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความกินความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆให้หมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละนี่ฟังเสียงแถวที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจหัวใจที่เป็นนรกนรกสําหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวร้อนตัวนรกนี่ก็มีอีกนั่นตามหลักธรรม จะวางไงพู้ต้องหานักนักโทษอยู่ในเรือนจํามันก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็ น, นปื น, นเป็นไฟอยู่ก็มีนั่นก็เป็นอย่างนั้นที น, นี้มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะลงนั่นมันก็มันก็ติดตนนกนรกหลุมเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจตน้นเดิมก่อนออกจากนี้แล้วก็อันนี้แหละที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางคืนโลกหลุมต่างๆ ที่ท่านแสดงไว้หลังนั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นอาาสอนบอกเราในที่เดียมันลบล้างหมดอยู่ว่าอไร น, นั้นปิดหัวใจของจัรจูงจงมูกไปแล้วกเปดตปกผีปกครกต่างๆไม่มีมีเท่าทเท่าที่เห็นนีมีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยอดกาไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มท้งสาร มันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านแปลว่าโง่หรือฉลาดเอา ว, วินาได้ทำพุทธยาประกาศกลางวาลโลกมานี้ประกาศกลางวาลตั้งแต่ของกิงทั้งนั้นหาของเหลาดวงอย่างที่เหลือตัวปิน่นปอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซนตเดียวเลยขนาดนั้นจิดยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอํนานาจของมันมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเราเรีกว่าเป็นวาสนาบารามี เป็นมาในต้องการพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ไว้เรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือจะถึงแดนแห่งความสมบังเป็นลําดับธําดาไปจนกระทั่งถึงความสมบวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการพิจารณปฏิบัติาตามศาสนาธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วลมนุษย์เรา เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบจะสัตวรทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยของพวกนี้มีหวังทั้งปัจจุบันสก ล, ลากาความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณนธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นปืนเป็นไฟเข้ามาเผ า, าอยู่ภายในาจิตใจเหมือนงที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรม ก็ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่ทึงว่าได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวัฒนึของตัวเเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีตกับพระพุทธเจ้ากระธรรมสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลื่อนโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายเถความภาคควเพียงให้เด็เดเกี่ยวลงไปเพื่อฆ่าที่เหลื ตัวเสเนียร์จันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกรองจัดโลกให้ล่วงจมมามามากต่อมากนานแสนนานแล้ว <_ S 1> ไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนํามาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเถี่ยงยอดต่อท่องสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบผีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทําความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มหมกเต็มหน่อย นียิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโกรธแค่กิเลสมันจะอยู่ใน ใ, นใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นไใ น, ในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรลึกแสนลึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนๆไม่อยู่ทั้งหมดยู่เฉพาะกิจมันจะทําก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมปุตตะ มีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราแยกเราแย่เราข่อยคว้าเอามาเอาไว้ปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สติของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมแล้วสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมเป็นขึ้นที่หนี่ไม่ได้เป็นขึ้นที่ไหน มันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทําไมมันพูนไม่ได้มนุษย์เรานะ่ะขอให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นสิพูดแบบด้นด้นเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนแล้วจะพูนให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจะทุกจริงทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ชชมัวโศกระทานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้ว แสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงสแสดงได้อย่างเต็มพระไทถนะ่เต็มพระโอดฐไม่สมสราทรงสรุปธานุเลยไม่มีใครคิดแต่คัดค้านลบล้างความเป็นศาสนาแลศาสนธรรมของผู้นได้นี่อที่ว่าเวลาพราะองค์ตรัสสรูปโลกธาตุวันไหวก็ขี้เหร่มันวันไหวแล้วก็ทำผู้จิโ ส, สแสดงหาธรรมนั่นแหละวันไหวกระเทือนสะท้านไปหมดเป็นอย่างสาัตว์ดีว สดัมนาเวซุ่งสดตว์ดัมโนซาเวซุ่งในธรรมจักขรขบวนาสูตนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความดุจพ้นจากถูกมีความปีติยินดีสะเทือนสถทานหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกฐานในพิเดษที่มันครอบงมหัวใจของจักรโลกแลสแดงความน้อยอกน้อยใจเย็นอินมาอะไรสามบุรีพรมหไม่ใช่อะไรไอ้มาร ลืมไปแล้ว่ชื่อมารไอ้นี่นะนี่เพิ่งเป็นหัวหน้าม า, นนารได้ทาให้โลกสะเทือนตะท่านเหมือนกันพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดท่านได้แล้วคงลื้อผลสัตว์โลกได้ตั้งแต่วันพระองค์ตัดสรลุแล้วเรื่อยมาอยู่แล้ปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ายได้ ตั้งแต่เป็นกริยานะัปุตตชนกลายเป็นคนดี อ, อ้อตั้งแต่คนที่มีกิเลสหนาๆจนกลายเป็นกริยาณนะัปุตตชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลท่านขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรือผลได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดเมียหน้าสามาร ถ, าารถที่เลี้ยงคนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกเหนี้มีแต่มันเหยียบลงในทุกเหยียบในทุกเรายังไม่เห็นโทษมันเหนือเอาวิจญาณาเหียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผล วัตถิปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธญาวันณสอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดเท่านั้นธรรมะทัพกุศลธรรมะคือทํำยังคนให้ฉลาดอภิชาติธรรมะก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเนี่ยว้าสึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมนั่นั้นะธรรมก็บอาธรรมกิเลสมากิเลสมาจะเป็นที่ไหนจะเป็นหยุดในที่เช่นไหนก็เป็นอยู่ในหัวใจของสารโลก ประกาศทำประกาศทังวาลจนแล้วกบรรดาผู million, imes, ้ที <resort with> <|hi|> ่พอที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกขามมังสารพึงพังพึงพังพึงพังทั้งแต่เบญจกสีทั้งห้างเรื่อยเรื่อยจากนั้นพระอรหันต์กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์อันนี้แล้วเรื่องเรื่อมน้ําต่ําสูงต่างต่างกันตามภูมิปัญธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัญญาณุพลุชนและได้นับถือผู้ศราสนาเพื่อเป็น เครื่องยึดเครื่องเหนียวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทําประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกให้เกินพระพุทธเจ้าหนึ่งทีด้อาจจะจันทน์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยขยาผูเหยำผูนนอันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์โลกโลกกุมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นแต่ทรงแนแนวทางให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น ทางท่านสอนเนื้อตุ้มให้จิตจังอาตปังอาคาตาโรตตาคตาการประกอบความภาคเพลินเพื่อยันกิเลสให้รุมร้อนรู้สิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นตัวแทนผู้ขี้บอกแนวทางเท่านั้นท่านที่บอกแล้วก็ยืดอาเงื่อนใดที่เป็นกติเข้ามาพิณิพิจารณาเปลนจนกระทั่งผลผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตัเองแล้วนั่นแหะที่นี้ ก็เป็นสยามภูสยามภูย่อยๆย่อยๆอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเนื่องกับผู้เท็เจ้าบางเวลาจะเอากินก๋วจัングกินเป็นเรื่องสยามภูสยามภูของตัวเองของตัวเองนี่ในกาลมาสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการดไม่ได้ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคําบอกเล่าไม่เชื่อตามคําเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่านี่เป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ให้เชื่อว่านี่เป็น สิ่งที่ถูกการกระิตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม้เชื่อสิ่งเหล่นี้หนักบังทีท่านตัดเอาหมดตัดเอาหมดตัดทํานี่นหะนี่เพื่อจะอะไรเพื่อจะให้เชื่อในสันติทิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยงไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันติทิโกตัดสิ่งแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็สั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสารโลก แต่เวลาชาวอินเดียไปจังเข้าได้เขาเ ข, าเขียนจริงริงให้เป็นสันติสันติจิโกรขึ้นมานั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละลายจะปฏิบัติให้รู้เป็นสันติจิโกรกขึ้นมาภายในตัวนี่แหละให้เชื่อนี้สังหานั่นทำนี้เป็นทำสูงมากไม่ใช่ทำซสอนจุดสี่จุดหา้าเป็นประชาชนทั่วๆไปไม่เชื่ อ, อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสอิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ยังไงเช่นอย่างเราสัาง ดูตำหนับตํล่างไม่เชื่อตํารางจะเชื่ออะไรไปเผาไฟที่เผาไฟกรเท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำหนับตำลราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องมาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรื่อนี้เป็นความเชื่อไปโดยลาดับลำดับแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสารที่ดโกพอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้ว ต้องตัดความเชื่นั้นออกหมดให้เป็นสถนทีโกของตัวเองเท่านั้น น, นั่นนัรร่นทำมาบรรดาพระรหันทุกทุกองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบการลามาสูตรเท่านั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีวุฒิยกตัวอย่างท่านพูดตามแบบคงจริงทุกท่า น, นเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้เราพูดพะเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพธธอระเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านหวั ถ้าประชานทหลายกันนําเรื่องราวนี้ขึ้นตะทุนุพุทธเจ้าว่าภาษาทีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอักษาวกข้องขวางวิจารยการเปมิจฉาทิฏฐิได้ใ <c> ห <oughs> ้ยอมเชี่อพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสตาของภาษาที่บุตรฟังได้สระอักษาวกกับศาสตราลงสนทนาทำกันเพื่อปลดสับ ต, ตาบอดนืหนอหงอย่างพวกเราๆท่านๆเรี่องภาษาที่บุตรไปว่าไงภาษาทีบุตร ได่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราแตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ให้ข้าพระองค์ไม่ให้พระผู้ที่เข้ามาเป็นภาระเป็นการตัางบลมุ่นวายหนางหวงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์ลูกเองเห็นเองเรื่องประศัพทิตรโกของข้าพระองค์เองเองเ อ, อใช่สารนบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสารนบุตนั่น พระพุทธเจ้าสอนสอนนี่เป็นอุมายง่ายๆต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้าก็เขียนกินก็เป็นสานพิธีโกนําผลขึ้นมาเห็นชัดเีนนี่ท่านสอนในกาลมาสุเพื่อทําขั้นนี้ต่างแล้วจะทําขั้นใดก็าตามมันก็เป็นมีสัรพิธีโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี้ที่กล่าวเรวนี้เป็นทําเพื่อขั้นสุดท้าย ไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครไม่เชื่อสันติโกเพราะคําว่าสันติโกก็คือทำบุญใหชาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศทำให้สาวกสงฆ์ได้ทราบเพื่อสาวกสงฆ์จะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัตของตัวเองนะ <c oughs> ูดถึงหนึ่งความละเอียดละออนแยมคมของจิตเหลที่มันร้รักหัวใจสขา์โลก มันเป็นที่หน้าอิ่มนาอาใจียอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทมเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีแต่ถูกร้อยรัดแต่ไม่ไม่มีทางออกนี่ยังมีทางออก ท, ทางออกก็คือทาคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามี่เลย คือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความตรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมเขแทะเขาแทะเขาแทะทั้งด้านหูมีธรรมตามรับขาทั้งตาทางหูทั้งจมงูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีมจมิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญาการกรองการกรองการกรอ ง, รองในสิ่ทสงที่สัมผัสสัมพัน์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมา แล้วค่อยๆเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอํานาจของการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาถือกิเลสที่พ้นอนํานาจของธรรมแบบนั้นขาดสะมั่นไปหมดเลยนั่นเราจึงจะได้เห็นเรื่องมหันตตัดโทษมหันตัดทุกข์เรื่องภัยของกิเลสมันเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแบบประหลาดและความวามหาัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยเวลา ป, ปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้น ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแทงเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอเดียวกันมหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะ ก, ก, กว้างแสนกว้างจะมีจีบจักรวาลหมื่นแสนล้านจากกักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้สนัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะถนัดช่อีนั่นเองปุริยนาย ใจเป็นสิ่งสุดลิมุตที่หลุดพ้นจากคดีต่างๆซึ่งญาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจนำพากันตั้งใจปผมไปปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของเนใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจ ยิ่งชำละใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นก้าวสิ่งหลายใออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสาคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนจะตามกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทํางานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือท่านความเนี่ยหนามั่นคงห้องใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้น ทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นปึ๋งปึ๋งปึ๋งเลยปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นแดนหนึ่งความพ้นทุกข์สว่างจ้าจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงกันอย่างนี้อมองไปข้างหลังจะเห็นกองทัพเรือเย็เป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลพี่แกวิ่งตามมาฆ่าเราทําก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเรา เชื่ออึ่มเชื่ออึ่มเชื่ออึ่มนันก็บืิญนี่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมไม่มีกําลังชุดเบี่ยงทีเดียวเอถ้าลงกําลังของใจได้ปรากขดไปแค่เท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกําลังของใจจะได้พุ่งพุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นอืมพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัย ถึงแดนแห่งความเกษอยานำคำที่ว่าลำบากละบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสุ้นรวนไม่มีเรื่องทเข้าแทรกเลยความขี้เกียจขี้ซ่านในการประกอบความ เ, เพียนเพื่อจะถอนตัวในคนตับทุกเป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเอาไว้ทางนั้นให้รู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่น่าจะจมเพราะมัน นี่แหละเราไม่หาที่ไหนกากายอะไรล่ะเป็นของกิเลสดูตามนี่แหละอตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะจะมัดแข้งมัดขาไม่ทันทีพันทีพันทีมัดตัวไว้เลยไม่ใกระดิกกระดิกได้เลยผมคิอว่าเป็นเรื่องของธรรมันจะมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันจะมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่แต่จะต่อสู้มันเพื่อศูนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์ทุกข์กับทุก ทุบเพามันทุบมามากต่อมากแล้วเอทุบเพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกอ้าวทุบไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วทำว่าสุกันกเกษมไม่ต้องพูดเราจะต้องการบลมาสุกหนะึ่งอยจะมาท่อถอยอะไรเนะี่ยเพียงความทุกข์ซึ่งมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันทาไมไประกอบความเป้าของเปลียนเขาก็ทุ้งอย่าง อ, างอางื่นของเขา เขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอบอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอบเราทนเพราอความอดทนด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลาบากจากเย็นแข็งแก่ขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้วความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกอะไรเราเคยทุกมาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็ น, ป, นประโยชน์แก่แล้วแต่ทุกข์อันนี้เป็ น, ป, นประโยชน์แก่เรามากมายมันเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ ตั้ง อ, อกตั้งใจตั้งมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลําบากลำบุญให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอต่อแค่เราตายทิ้งเปล่าเราถือประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลนี่ทําทั้งหลายจำนวนพระประมามากมายนี่แยังที่ผมไปพูดนั่นแหละ แล้วยังจะมาอีกขออนุญาตมาอีกแร้อทำอะไรผมเห็นหัวใจแต่ระดวงระดวงอ่ะมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกัหรือความสะดวกแล้วความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มก็จําเป็นได้รับเพราะตรงไหนรายใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วสะแสทงหาครูหาอาจารเหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เราดึาหัวใจนี่เทียบกระหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไป ท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดยังไงร้ายปายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านํามาชใช้จะอาให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คนณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกับเครื่องนี่แต่ตัวกิเลสมันกระเพื่อ ม, มเมื่านี้ถึงตัวถูกก็าตามมันจะอาศัยความที่วัตถุนะั้นะเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้ แล้วมองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันเป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนสูงโดยการที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมน้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนมันก็นกตามแต่จะเด่นนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้อง เอาพื้นเพรแห่งความให้อภัยกันไห้วางเป็นพื้นฐานไหมนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายแล้วผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ผิดพลาดประกันใดเมื่อมีผู้ตือนเน่าอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทํางานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทํางานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุขไม่มีอะไรจะผาสุขยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติทำด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมและไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่า ผู้ปฏิวัติทำอยู่ด้วยการด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกลาใดก็จะมีเป็นแต่ความท่าพาความอดดิบอดดีความอดรู้อวดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความแบบอวดเนื้ออวดตัวนี้หมดไปหมดไปเห็นโทษในะความทนงตนมาโดยดลาดับตํำนาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรอยู่แล้วเลยไม่มี คำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงกาลเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดแล้วก็หาเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทําเป็นเจ้าของอย่างเดียวทําเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทําเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นค่าสุดต่อถึงใดผู้ใดแต่ถ้าเจเดียรเป็นเจ้าของเป็นค่าสุดทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคําว่าอัตาตาต้องเข้าตัวเสมอเสมอเสมอก็คือเรื่องของเจเดียไม่ยอมเห็นหัวใจของใครทั้งนั้น เห็นแก่ตัวที่สุดก็คือยิ่เ ด, ด็กเหนื่อยความเห็นแกตัวแล้วต้องทําลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบํารุงตัวเองทั้งๆที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่อรู้มันไม่ยอมพราะเป็นเรื่องของยิ่เด็กอีกท่านหนึ่งผมจะมาคอยแสดงบ่อยๆดังที่ทุกๆท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากน ะ, ะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกต ร, ร่างกายก็อ่อนลงมาก จิตใขันทั้งหานี่ก็แสดงความที่การไปมากเหมือนกับรถมันทำรถชุ่มลงมากนั่นเองใช้าการทช้างานอะไรประจันได้ดือมได้เลาอะไรท่านขอให้ทุกท่านตั้ง อ, อกตั้งใจพุทธปฏิบัติม้ขณะที่มาศึกษาเช้มจากครูจักอาจารย์และอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเรา สิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลไม่อยู่ด้วยกันแล้วหมุดผู้องค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข ก, การประกอบความภาคเพลี่ยนก็ให้เป็นทัญญ า, ลายลโลงกับผู้ใดรายใดเรื่องใดมีแต่ฟัดหัวกิเลสลงไปที่มันจะเพื่อมออกมามันจะพูดออกมาเรื่องใดฟันลงไปอย่าเสียดายคําว่าที่เลสแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตําหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตําหนิี่เดสการแตะสรดุ้ก็เพื่อข้ามกิเลสเพื่อสัตว์นั่นเอง การแสดงธรรมเป็นมากขึ้นแต่ตอันที่เหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากความยุดเพราะระวังอาหาเลยไอ้พอไปถึงวันนี้ไม่ถึงไม่ถึงรู้สึกจะทัด พ, พ, พ, พอพอพอพอเริ่มเริ่มรู้สึกก็หยุกมันทุกวันมันรู้สึกจัดจ้าว่ามันเหนื่อยเนืยภายใหัวใจวันนี้พอเริ่มเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเคยไปเค ไ, ไปมันอวาม แ, แรงไม่ได้นานีน่นะ มันขึ้นของมันเรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าเรลั่นวัลั่นไว้ไม่สะดวกแก่การพูดถึงกั น, นต้องปล่อยตามความสะดวกสบายของท่าตัดขันยื่ลำแสดงออกเตรอนีมม้มันรอดลงขนาด น, นั้นเนี่ยขนาดที่เต่าตัวหนามันก็ถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆได้เลยเป็นงมานมาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่ได้อ่านเลย ตามันก็ฝ้าวางหมดเพราะอ่านตาอ่านตาฝ้าฟางก็ไปจะไม่มองเห็นนะความคิดความปรุงมุ่งจิดไปกัรงครืงหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไหมฮะมันเข้าใจได้ยังไงก็ฉีดน้ําหมึกไว้เฉยเราเป็นผู้ให้ความหมายอื่นเขียนว่ายังไรหน่อยมันก็ต้องใช้ความปรุงงานดูมันก็เหนื่อยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นแต่ตอนมันกระนุ้นแล้วอะไร ผ่านนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันก็พอแต่จะล้มเหมือนเช่นอย่างผูกลมพัดนิดหนึ่งก็เอ็นเอ็นเอ็นลู่ไปทางนั้นลู่ลมมลไปท า, างนี้ตังิลมมันไม่รุนแรงอะไรนั่นอันนี้เหมือนกันงานอย๋ยวนี้เป็นงานที่เคยทํามาแล้วท้งนั้นแต่มาถึงระยงนี้แล้วมันเป็นยังไงมันอะไถือว่าเป็นงานที่หนักมากกวเาเดิม สารการสารผู้สารคนก็เสียรลงไปเหมือนกันหมดสารท่าสานหนึ่งดูโดยลำทางออกมาในรถเอาเข้าลงท่องไว้นะแล้วนี่จะซ่อมขับขี่ไม่ได้อย่างว่าคือ <c oughs> ท่ากระทึ้งตรงหรือเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกของนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นเป็นเรียนให้ความจริงทำไม่รู้เสียตั้งแต่ต้น ยังไม่ตายถึงเวาลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามที่ธําบอกไห้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายห่วงหายห่วงนารายโเสียตั้งแต่ยังไม่ตายปล่อยกังไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิด่ชอบยังมีต่อกันอยู่คนนั้ น, นแนย่สบาย ผมได้อ่านทังหนังสือเลเม่มที่ใครเขียนอยู่งานของศพงานสพที่มหาปิ่นนาบุรีนะนั่นนี่มันเอาผมไปอ้างว่าผมไม่ว่านารกใครได้อ่านนี่เลยหรืว่าว่าผมผมเคนว่าว่านารกมีอยู่ภายในใจเท่นั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเ e c นรกข้างนอก เราพบหรือ่างผมได้อ่านแล้วนะเพรา ะ, ะผมถึงจะจับผุดนี้ไวอย่างนี้อหะคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่พัลโลเรื่องสายของคนนะ เ, เรากําลังคึกขนองเอาความเห็นของเราเข้าไปใส่ปุ๊บเอาใัยอำนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันมันมันแย่งกันอย่างนี้แหจะทําไหมผมไม่เคยพูดท่านหลายก็จะยินไหม เรื่ลบล้างนะ ล, ลสวรรค์อะไรผมเทิดทูลพระพุทธเจ้าซจนหัวใจขาดพุ่งย่ำไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วผมหาที่ค้านไมา่ได้เลยแต่ไม่อาจที่จะพูดใคำสั่งว่านี้ในน่ะมันไม่ใช่เป็นวิสัยของตาจะเห็นดังนัึนบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดี น, นี่นี่บอกเสมออันใดที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งซุก ข, ขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตา ม, มันแค่หูแค่ลูกแค่ ตาหูถึงมุ้งลินกามันแค่รูปอย่างกี่รูปกี่สัมผัสเท่านั้นมันวงจแคบนอกจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแใจใจนี่เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวไม่มีเวลาเกินใจเรื่องพิสดารเวลามันโง่โง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันก็ฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็อวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันเท่านั้น เพรความอยากก็เป็นกิเหลสก่เหลสมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากไม่เหลือแต่ความจินล้วนๆท่านั้นควาที่เขาติกับควาที่เขาชมมันมีน้ําหนักเท่ากันไม่มีอะไรเปลือกันมากกว่ากันถ้าไม่ใช่กิเหลีสเป็นผู้พาเศษพาสันทำทํานไม่ใศ่วางไว้ตามความจริงนี่คอยเอาไปลงอย่างนี้มีอยอะมากที่เทวติวตาไม่มีรพระราพพ พบอุณหนอกจากพบกับของล่างของในปฏิเดชหมดโรคล่างหมดไม่อยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทบางท่านจะมันก็เื่อนโลกอยู่นี่จะว่างเมื่อเมองดู้เดินตาแล้วมันก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้อืมหไมไมูได้ยินเส้นอย่างโสตทิพย์นี่ก็เอาลองดูที่หนุนไมท่านลังจะไมได้ยินตาทิพย์นี่ทํานมันจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นนิสัยของตาของของตาใจมีของหูใจมีอืม ทำไมมันจะไม่เห็นินี้มีอยู่นักคูดที่เ้ามันเลย่างเงาตัช้ชงตาที่ฟูทงที่หลังสมบูรณ์น่สับพันยูสับพันยูรู้ถึสิ่งทั้งปวงบางที่ทั้งปวงเร้รู้หมดปิดไม่อยู่พวกเราสับพันโง่โง่ไปหมดยูแบบว่าแบบว่ารู้ับพันยู การสับพังงูอะไรมากวด ข, าขงง้า ง, งนหน้าพังงูพังงูคืนงูแสดงเปดล้างตลวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดหน้นาหมอล้อจะตายไปความฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของทางํามนั่งอวดแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้ออกตรงไหนี่เลสพังไปเลยเนี่ยอนี้กิเลสมนึงกลัวจะทำมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันมา่ลไห ความรู้มันลงลกระเด็ดแสบแสบแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงจมูกเอียงก็เอียงก็พังกระเลยความรู้ที่มันทํามันล้วนไม่ได้มีอะไรมาแรกมาแฉงมาทำลายเอพัดมาผ่านให้เอียงก็ไม่เสมอหลวงพ่อสอนโลกกสอนตั้งแต่อานุพิธคาถาเลยยื่อยอยู่นะวงจะมีที่ตรงไหนอืานุพิธคาถาแปลว่าทำที่ทรงสแสดงโดยลําดับ กันจากพื้นพื้นของทำเรื่อยๆเหมือนเรือวินเถินป้าถ้าแปลอันนี้คกระฐานนอกจากไม่แฉมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบอาถาอัถะบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยผมเรียนมาแล้วนี่ยแา่ครูเจ้าก็สอนมาเพื่อนี่นี่จะเรียนมากจะน้อยก็เรียนเพื่อนี้คพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี่ไปเลยจะเป็นอะไรไป เอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาจับมาแปลกันเพราะนั้นเป็นขื่ออันหนึ่งก็จำแล้วในปรน้ ำ, ปนำเป็ น, น ห, นนห่ือั้องห่วงแต่เาจะทำไงเรื่องการเป็นของไม่อมยมันก็ต้องอยู่ๆวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบ อ, อ้าว ม, มากๆดุสิเถอก็เป็นในหัวใจชรงตัวอยู่นั่นใคร ก, กวนมันขึ้นหานะั่นมันเหมือน ถ้าสิ่ประหารนั้นนะมันไม่อยากยุ่งจะกับใคกับใครอยู่พอดีจะของพอดีอย่างนั้นมันพอดีพอดีกับมันคอดจะปกติมันคอยลดกับมันอยู่ลงอยู่แล้วถ้ามีพาระอะไรเป็นไปมันไม่ยุ่งพูดเรื่องซือก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบล็คลูกก็เป็นเครื่องเพิ่นอันหน่งพิจารณพอดูเป็นธรรทั้งนั้นน่กับเมื่อถิ่ไม่ไปเกี่ยวกับโลกเราก็จดว่าไงมันก็มันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกที้แล้วใครจะว่าบ้ากว่าว่าว่าอะไรที่ เวลาลากคันกับหางดึงมาจนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่กับมันกับแสดงให้เห็นแล้วมันเบือในอไชโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงเอาไว้ขี้น่ะขี้น่ะจะไปแล้วมันฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้กันได้มันก็เคยบอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปนี่ว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่สิ่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรเไม่ว่าแต่เป็นเรื่องโลโลเ ล, เ ล, เลื่องะไรธรรมดาธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง ดูเนี่ยดูลงชันลงขันดูเขลงชานลงขันไปอาชัยไปชน